อาหุงสหัสมาพินิมมิตสาวุธันตังคลีเมฆลังอุทิตโคราสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาจิตวาโมนินโวตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลาเน มาราติเรกมพิยุตชิตสัพพรัติงโครัมปนารวกามคามทัตทยัขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโถตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานี นาราคิริงขชวรังอาทิตมาภูตังทาวขิจักกมามสวนีวสุธารุนันตังเมตัมภูเสกวิธีนาจิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชยมังกลานิ อุคิตกคกขมติหัตทสุทารุนันตังทาวันติโยชนปาถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนจิตวามุนินโถตันเตชสาภาวตุเตชัยมังคลานิกัตวานาทธมุทธรังอิวัคพิณิยาจินจายะ ทุททวจนาชนกายมัตเชสันเตโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานสัจจังวิหายามติสัจจกะทวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอาิอันทพูตัง ปัญญาปทิปชลิโตชิตวามุนินโธตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานินันโธปนันทพุชฆังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคณทะมาปยันโตอิถูปทฏฐะสวิทินาชิตวามุนินโธ ตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิทัพุชเคนสุทธาทหาทางพระมังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานาคเทนาวิธินาชิตวามุนินโถตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชยมังคละอัธคาถาโยวาจโนทินธทเนสระเตมตันทีหิตวานาเนกวิธีนานนจุปัฏวานิโมขังสุขังอธิคเมยานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินาง ปูเรตวะปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนสัจฉวัตเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหี ชัยยสุชัยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอคับปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิทัง พระมาริสุปัทขิณังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขิณังปัทขิณังมโนกรรมังปณิทีเตปัทคิณังปัทคิณานิกตวานะละพันตัเทปทักคิเนภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพภเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตที่พวันตุเตภวตุสัพพามังคลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตที่พวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะ สัาโธทีพระวันตุเต